มาก็จะนำนิทานและข้อคิดสกิดใจมาเล่าให้ญาติธรรมฟังนิทานเรื่องแรกนี้จะเล่าเรื่องวิธีป่าประพืชที่วัดเซนแห่งหนึ่งอาจารย์เซนกำลังนั่งประชุมกับลูกศิษย์อยู่สี่ท่านลูกศิษย์ก็ตั้งใจจะถามถึงความลี้ลับของธรรมชาติกับอาจารย์แต่อาจารย์ ก็ไม่ตอบกลับนั่งสมาธิสักพักหนึ่งก็ลืมตาขึ้นและชี้ไปที่บริเวณที่โล่งกวาง้างและเอ่ยขึ้นว่าเราจะกำจัดพพืชเหล่านี้ได้อย่างไรคำถามนี้สร้างความแปลกใจให้กับลูกศิษย์เขาไม่คิดว่าจะาถามคำถามมืดพื้นแบบนี้ลูกศิษย์คนแรกจึงตอบขึ้นว่าใช้จอบใช้เสียม ขุดทำลายวัชพืชก็จะหมดไปคนที่สองบอกว่าใช้ไฟเผาดีกว่าสามารถทำลายวัชพืชได้อย่างหมดจดคนที่สามบอกว่าใช้ปูนขาวโรยสามารถทาให้วัชพืชตายได้คนที่สี่ก็แยง้งขึ้นว่าวิธีของพวกท่านทั้งสามเนี่ยยังไม่ถูกต้องปราบวัชพื ช, ชเนี่ยจะต้อง ถอนลากถอนโคลให้หมดจึงจะบทจดกว่าอาจารย์ได้ฟังลูกศิษย์ทั้งสี่พูดมาก็ได้แต่อมยิ้มไม่ได้ตอบอะไรแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพวกเจ้าเนี่ยแบ่งที่ดินคนละเท่ากันนะเอาไปหาวิธีกับจัดวัะพืชแล้วอีกหนึ่งปีหลังจากนี้จะค่อยมาประชุมกันที่นี่อีกครั้งราสีก็ตกลง แล้วก็เริ่มลงมือทําตามที่ตัวเองพูดแล้วแหละหลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งปีบริเวณที่โล่งกว้างก็เต็มไปได้วยพืชพันธุนยาหารต่างๆเหลืองอลาบหน้ากินหมดไม่มีว่าจะพืชเหลืออยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าลูกศิษย์เหล่านี้ทดลองทุกวิธีที่ตัวเองเสนอเนี่ยไม่มีใครทําได้เลยลองขุดก็แล้วเผาก็แล้วใช้ปูนขาวโรยก็แล้วขุดลากถอนโคนก็แล้ว มัจะพืชก็ขึ้นอยู่อยู่ดีจนไม่มีทางเลือกจึงไปนำพืชผักพืชผักสวนครัวเอามาปลูกแทนคุมหน้าดินไว้ปุ๋ยพืชจึงขึ้นไม่ได้แล้วก็ประชุมกันคำสอนของอาจารย์เนี่ยที่ให้ไว้กับลูกศิษย์ก็คือวิธีกำจัดวัชพืชที่หมดจดและถูกต้องที่สุดก็คือปลูกต้นไม้ที่มีคุณค่าที่ประโยชน์ลงไปทับจึงจะสามารถกำจัดวัชพืชได้ ส่วนจิตใจนั้นจะต้องเติมคุณธรรมความดีลงไปเท่านั้นจึงจะสามารถทำให้จิตใจเนี่ยเติมเต็มได้ช่วงนี้ที่วัดเราเนี่ยก็เป็นหน้าฝนถ้าเรามองไปทางไหนก็จะมีวัชพืชเต็มไปหมดแหละวัชพืชก็คือต้นไม้ที่เราไม่ได้ปลูกอะ่ะเขาขึ้นขเขาเองไม่ว่าจะเป็นต้นสาบเสือต้นหญ้าหรือต้นไม้อื่นๆเนี่ย อย่างอาตมาปลูกต้นไม้มาหลายปีนะจะสังเกตว่าต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยโตสู้ว่าจะพืชไม่ได้ว่าจะพืชไม่ได้ปลูกแตะโตเร็วกว่าโตแซงเลยล่ะแปบ๊บเดียวไม่กี่วันคือเขาโตเร็วมากแปบ๊บเดียวคุมพื้นที่อ น, อนาบริเวณเนี่ยได้กว้างมากเลยสมัยก่อนหน้ากูดของผู้พูดเนี่ยเต็ไมไปด้วยวัชพืช น, นานาชนิดเลยโซนโซนแถวเยื่อสาราน้ําเนี่ยพอตอนหลัง แล้วก็นำต้นไม้ที่มีประโยชน์ไปไปลงคือสมุนไพรขาไก่ดำเนี่ยไปปลูกปุ๊บ็จะพืชก็ไปขึ้นละที่น้ากุฏของอาตมาก็นำพวกต้นไม้นานาชิตไปลงตอนที่ถ้าใครผ่านไปก็จะเห็นว่าล่มลื่นแล้วก็ไม่ค่อยมีต้นไม้ละกะกาตาเท่าไหร่ต้นไม้ให้ไร้ประโยชน์นะต้นไม้ไม่สามารถขึ้นได้ถ้ามีพืชพืชปลูกอยู่ก่อนแล้ว ถ้าเปรียกก็เหมือนจิตใจอะจิตใจของเรานี่นะถ้าเรายัางมจจไม่กียอาจารย์วิทัยก็นําส่วนบนใจเป็นใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่ถ้าเราทําความดีก็ได้ดีอ่ะทําไม่ดีก็ได้ชั่วมันมีใจพาไปแล้วนั้นอะเพราะทุกสิส่งทุกอย่างเนี่ยเกิดจากความคิดความคิดก็พาให้สู่การกระทําการกระทำถ้าเราท ำ, ะะทำบ่อยๆ มันจะกลายเป็นนิสัยนิสัยถ้าเราทําบ่อยๆก็จะกลายเป็นบุคลิกภาพบุคลิกภาพถ้าทําบ่อยๆจนชินนะก็จะกลายเป็นชะตาชีวิตหรือวาสนาถ้าเราเติมความดีให้กับจิตใจเนี่ยคิดถึงความดีครั้งหนึ่งความดีก็จเจริญงอกงามหน่วยหนึ่งสมมตุติถ้าเราทําไม่ดีหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็ติดลบหนึ่งครั้งเห็นยุงมาตบพุ้งเลย อันนี้ก็อกุศลหนึ่งหน่วยละแต่เราเห็นสัตว์กําลังตกทุกข์ได้ยากเอาสมบุติเราเห็นเห็นสัตว์กำลังอยู่ในข้อหันซ่วมกําลังดิ้นกระเดวกระเดวขึ้นไม่ได้เนี่ยแล้วเราไปจับช่วยเขาขึ้นมาเนี่ยอันนี้เราก็ได้ความดีหนึ่งหน่วยละหรือเห็นใครทำความดีใส่บาตรแล้วก็อนุอนบุญนาบุญสาธุอันนี้เราก็ได้ครามดีหนึ่งหน่วยเห็นใครมาฟังธรรมปฏิบัติธรรม ช่วยวัดทำงานต่างๆเนี่ยแล้วเราสาธุเนี่ยความดีเราก็จะเลยงอกงามด้วยแต่ถ้าเราคิดอกุศลนะเห็นใครปฏิบัติธรรมกำลังยกมือกำลังเดินจงกรมเนี่ยแล้วเราก็บอกเอ้ยพวกนี้งมงายทำไปทำไมโง่จังเลยถามหาอะไรอันนี้อกุศลอะจิตเราก็ติดลบหนึ่งหน่วยถ้าทำมากๆวัจพืชนก็เต็มจิตใจอะ นันอยู่ที่เราจะเลือกเราจะปลูกปลูกต้นไม้กุฎธรรมให้งอกงามจิตใจหรือจะปลูกว่าจะพืชถ้าเราอย่างเรามาทำวัดเนี่ยมาไหว้พระ ส, สวดมนต์มาฟังธรรมความดีของเราก็จะเริญงอกงามจิตเราก็มีกำลังแต่ถ้าเราขี้เกียจไม่มาทำวัดดูหนังฟังเพลงทำตามกิเลสทุกอย่างอากุศลและจิต ก, ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันนี้เราสามารถเช็คได้จิตจะไม่มีกําลังแล้วจะกลายเป็นคนเกียดธรรมะเกียดการไหว้พระสวดมนต์จิตก็จะอ่อนกําลังลงไม่เรื่อยๆพอจิตอ่อนกําลังปุ๊บเนี่ยความดีเราก็ไม่เจริญงอกงามนิทานเรื่องนี้ก็ให้แง่คิดหลายเรื่องนะให้แง่คิดตรงที่ว่าความดีเป็นสิ่งที่เราต้องเติมลงเรื่อยๆเพราะว่าวัฏจักรคือกีเลสเนี่ยมันเร็วมากเลยแป๊บเดียวแหละ แป๊บเดียวก็คุมพื้นที่ละโดยที่ว่าไม่จําเป็นต้องมีเชื้อเลยอย่างที่อะละมาปลูกต้นไม้ที่กูดเนี่ยบางจุดนะมันก็ไม่เคยมีต้นไม้ชนิดนี้อยู่แต่ว่าพอว่างปุ๊บเดี๋ยวมันจะขึ้นเองเลยพุพ่มๆเต็มไปหมดเลยแก้ได้ก็คือต้องนําต้นไมท้ที่มีประโยชน์มาลงถือจะการมันจะพืชได้อันนี้เป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้อันนี้กระทองทามาหลายปีแล้วหลวงปูด่ดูวัศแกเกจิอาจารย์ชื่อดังของ จังหวัดอยุธยานะวันหนึ่งมีลูกศิษย์มากราบแล้วก็พาเพื่อนมาด้วยเพื่อนคนนี้ก็ขี้เมาต่อหน้าหลวงปู่เพื่อนที่พามาก็ขยันขยอให้เพื่อนคนเนะี้ยรับศีลปฏิบัติธรรมชายขี้เมาก็แย้งต่อหน้าหลวงปู่บอกว่าจใจผมปฏิบัติธรรมได้ยงไงผมจะเป็นคนขี้เหล้าเมายาอยู่เลยรักษาศีลก็ผมไม่ได้หรอก หลวงปู่จึงพูดขึ้นว่าเองจะกินเหล้าก็กินไปข้าไม่ว่าอะไรเองหรอกเอางี้ก็กันเองเน่ะปฏิบัติให้ข้าวันละห้าทีได้ไหมชายขี้เมาคิดอยู่พักหนึ่งก็มีบคอรู้สึกว่าปฏิบัติทำห้าทีเน่ยง่ายกว่ารักษาศีลจึงตกลงรับปากหลวงปูงป่ไปคนสมัยก่อนเนี่ยจะรักษาคําพูดนะถ้าตกลงกครูบาอาจารย์แล้วเราจะต้องทําตามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชายขี้เมา ก็นั่งสมาธิวันละห้าทีทุกวันทุกวันบางวันเพื่อนชวนไปกินเหล้าเพอร์ตรงกับเวลาจะนั่งสมาธิแกก็ไม่ไปมาแกรักษาคาพูดพอนั่งห้าทีทุกวันทุกวันเนี่ยก็เกิดอิสว์ขึ้นมาอยู่ว่าวันหนึ่งจิตก็รวมลงเกิดปิติซาบซ่านเยน็นอกเย็นใจขึ้นมาพอตอนหลังจากดั่งห้าทีเนี่ย ก็กลายเป็นนั่งนานขึ้นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งบางทีก็นั่งหลายชั่วโมงความอยากในการกินเหล้าก็น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าการเสพสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสหยาบสู้การนั่งสบาธิี่ความเย็นอกเย็นใจไม่ได้อันนี้เป็นควาสุขที่ละเอียดปราณีตกว่าตอนหลังชายคนนี้ก็เลยเลิกเหล้าได้แล้วก็มาขอบวชกับหลวงปู่แล้วก็มาปฏิบัติธรรมเป็นภพระดี อันนี้เป็นอุบายเพราะบางคนเนี่ยสอนตรงๆไม่ได้หลวงปู่ก็เลยสอนล้อมอมแล้วก็ได้ผลนะเพราะคนเรานคนเราจะมีอัตราตัวตนอยู่ไปบอกเฮ้ยเลิกเล่าเถอะเลิกบุหรีเ่เถอะมันไม่ทําหรอกแต่ถ้าเกิดเรานําสิ่งที่มีประโยชน์ให้เขาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเองอย่างเมื่อก่อนหลวงปู่เทีย น, นย่ก็เคยดูบุหรี่แล้วท่านพอเห็นทำท่านก็เลิกท่านเองหลวงพ่ออมเขียนก็เหมือนกันเคยติดริทยศาศาสตร์ พอท่านเห็นธารมปุ๊บท่านทิ้งเองหมดเลยมีใครบอกว่าหลวงพ่อต้องเลิกนะเพรหลวงพ่อรู้ว่าไสายศาสตร์เนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะ่ะทําให้คนหลงหลวงพ่อก็เลยทิ้งหมดเลยท่านก็ต้องเติมสิ่งที่ดีๆให้กับจิตใจเรื่อยๆมีวัดเซนแห่งหนึ่งอาจารย์ผู้เฒ่าก็อยู่มากแล้วและรู้ว่าอีกไม่นานก็คงจะละสังขารจึงเรียกลูกศิษย์ใกล้ชิดมาประชุมกันลูกศิษย์มีสามสามคนนักปฏติหลังน้อยแห่งหนึ่ง อาจารย์ก็ให้อุบายปิรนาถามลูกศิษย์ทั้งสามโดยให้เงินเนี่ยเท่ากันและให้ใช้เงินยังไงก็ได้ให้ทำให้กุฏิหลังเนี่ยเต็มได้มากที่สุดโดยใช้เงินน้อยที่สุดถ้าใครชนะก็จะมอบตำแหน่งจเจ้าวานให้สิษ์คนแรกออกไปสักพักใหญ่ก็นำาญ้าแห้งมาหนึ่งคันรถอาจารย์เซนเห็นแล้วได้แต่ใส่หัวเพราะศิคนเนี้ย ติดวัตถุนิยมสิทธิคนที่สองก็หายไปสักพักหนึ่งก็ถือถ้วยน้ําชาเล็กๆอบใบหนึ่งแล้วก็าวางไว้กลางห้องกินกินของใบชาที่อยู่นเนื่อมชาเนี่ยก็หอมอบอวลไปทั่วทั่วห้องละแหละอาจารย์ก็ยิ้มด้วยความพอใจส่วนสิทธิคนที่สามไม่ได้ออกไปไหนเลยนั่งสมาธิอยู่กับอาจารย์จนได้เวลาสมควรเนี่ยก็เปิดหน้าต่างออก คือวันนั้นเป็นวันเพนพระจันทร์เต็มดวงเปิดหน้าต่างทุกบานแสงจันทร์ก็สอดส่องเข้ามาในห้องจนเป็นสีเงินยวงเต็มห้องไปหมดแล้วศรีก็เอ่ยกายอาจารย์ว่าคุทธะอยู่ในจิตของสิทธิ์แล้วสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเพื่อไปซื้อหาอะไรอีกแล้วก็คืนเงินให้อาจารย์ไปอาจารย์จึงมอบตําแหน่งเจ้าวาดให้กับสิทธิ์คนที่สามหละเพราะเห็นว่าเข้าถึงจิตเดิมแท้ส่วนสิทธิ์สองคนแรก ยังเข้าเข้าไปถึงธรรมะฉั้นคนเรามาวัดเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะจะมีคนเนี่ยคิดไม่ค่อยเหมือนกันหรอกบางคนก็หวังมาขอพรคือมาทำบุญแล้วขอพรให้ประสบความส็จในชีวิตให้ร่ำให้รวยหรือแม่ก็สะอะเคาะให้โชคดีอย่าได้มีข้ อ, อร้ายก้ากายบางคนก็อยากเป็นเทวดาก็มารักษาศีลรักษาศีลอุโบสถนี่แหละถ้าตายไป ถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยคือสามารถเกิดเป็นเทวดาได้เพราะเทวดาต้องมีศีลห้าบางคนชอบนั่งสมาธิก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะเกิดเป็นพรหมเพราะพรหมมีอายุที่ยืนนานคือดื่มดำ่ำกับความส ง, องอบสุขทั้งจิตใจแต่ก็มีส่วนน้อยนะที่อยากพ้นทุกข์จริงๆเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นก้อนทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่อยากเกิดเป็นอะไรแล้วเนี่ยมีน้อย เพราะส่วนมากก็มีที่หวังนะแหละไม่ร่ํารวยก็เป็นเทวดาเป็นพรมคิดที่จะมาโพจะกองทุกมีน้อยมีส่วนน้อยเพราะถ้าเราสังเกตดีเนี่ยชีวิตข อ, ของคนเราเนี่ยจะเต็มด้วยความทุกข์คือถ้าเราอายุยิ่งมากเราจะเห็นชัดเลยตอนที่เราอายุแบบสิบขวบเนี่ยมันไม่เห็นหรอกสิบขวบอยู่เลยวัยสุขสนานมันยังมองเห็นความจริง ข, ของชีวิตไม่ได้โดนบงังพอยี่สิบกว่าก็ยังพอร่างกายเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยก็หลงเพลิดเพลินอีก ในเรื่องราวต่างๆพราะร่างกายจะแข็งแรงอยู่แต่พออายุ40กว่า50เนี่ยร่างกายเริ่มเสื่อมโทรมลงแล้วผมก็เริ่มงอกตีนกาก็เริ่มขึ้นสายตาก็เริ่มคุณภาพแย่ลงหูก็ไม่ดีเหมือนเก่าความแข็งแรงก็เริ่มลดน้อยลงไป น, นี่จะเริ่มเห็นชัดแล้วพอพ อ, พอเราไม่แข็งแรงปุ๊บเนี่ยโรคต่างๆก็มาลุมเล้าเลยโรคโน้นโรคนี้ตอนที่เรามีความแข็งแรงอยู่เนี่ยมันก็ต่อต้านได้ พอคนอายุ บ, าบ้างๆขึ้นไปเนี่ยบางคนก็เป็นเบหวานบางคนก็เป็นความดันบางคนก็เป็นหนักหน่อยก็เป็นมะเร็งไปเลยหรื อ, อหลายโรคอะ่ะเพราะว่าเกิดจากสังขารเสื่อมพอคนแก่จึงเข้าใจชีวิตมากกว่าคนหนุ่มสาวพราะรู้ว่าความตายก็ใกล้เข้ามาแล้วแหละชีวิตนี้ถึงไม่ตายนะมันก็ต้องอยู่ออกับความทุกข์อ่ะเวทนาจากความเจ็บป่วยมาเห็นชัดกว่า พอเห็นตัวนี้ปุ๊บเราก็รู้ว่าร่างกายเราเนี่ยไม่ได้ยึดถือเลยถ้าเราเบื่อร่างกายเราเนี่ยเราก็ไม่สนใจร่างกายคนอื่นแต่ถ้าเรารักร่างกายเราบ้างเนี่ยความคิดเนี่ยมันก็อยากให้เรามีครอบครัวมีลูกมีหลานมีอะไรต่อมีอะไรสมบัติเยอะแยะหมดเลยแต่ถ้ามองแบบพระเนี่ยยิ่งมีของมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์เพราะเราต้องเป็นภาระดูแลรักษาอย่างเมื่อสมัยก่อนอะเรามาดิกรุ่ไม่มีอะไรเลยแหละตอนบวชภาษาหนึ่งภาษาสองเนี่ย ไปไหนแทบไม่ตงล็อกกุญแจเลยใครอยักขโมยก็ขโมยไปเลยพอตอนหลังภาษาเริ่มเยอะขึ้นของก็เริ่มมากขึ้นตอนหลังก็ต้องล็อกกุญแจทิ้งไม่ได้เดี๋ยวคนมาหยิบออกไปเงี้ยเริ่มเป็นภาระและ้วหรือปลูกต้นไม้เยอะถ้าเราไปหลายวันต้นไม้ก็ตายถึงจะวายคน อ, อื่นก็ไม่รักเท่าเรางั้นถ้ามีของเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะเป็นภาระทังจิตใจถึงจุดหนึ่งก็ต้องทิ้งอามาเห็นทิ้งมาหลายคนแล้วทรัพย์สมบัติแล้วต้นไม้ เวลาเข้องจากวัดที่ไปก็ต้องทิ้งเกี้ยงเลยไม่มีอะไรติดไปได้เลยยิ่งตอนตายต้องทิ้งทิ้งหนักเขาไปอีกทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เห็นตัวอย่างมาหลายคนถ้าเราใช้ชีวิตอ ย, อยู่อยู่ได้เนี่ยเราต้องไม่ประมาทมอเห็นความจริงมองเห็นทุกข์เนี่ยเพราะความทุกข์เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยหาทางออกจากทุกข์แต่ถ้าหลงในความสุขหลงในลาศกาักดิะชื่อเสียงอํานาจเนี่ยอันนี้เป็นสิง่งสิ่งจอมปลอมสิ่งหลอกลวงเป็นหัวโขนยิ่งยิ่งหลงก็ยิ่งติดยิ่งติดออกไม่ได้ อย่างลักัการาเนี่ยพระบางท่านเนี่ยติดตลอดชีวิตเลยแหละก็จะออกไม่ได้เลยเามาเห็นเป็นหลายคนนะเพราะว่ามันมีอะไรนะ่ะนับเงินก็มีความสุขดีมันมีสิ่งที่ล่อลวงอะ่ะคนเนี่ยตองหลวงตาเนี่ยขี้แบงค์มานับเนี่ยก็สุกแล้วทั้งที่บุญไม่มีบุญจะใช้หรอกแต่ละคนใช้เงินเป็นก็จะนําเงินไปทำประโยชน์ให้กับตนเองทำประโยชน์ให้คนอื่นอันนี้เรียกวคนใช้เงินเป็นบริหารชีวิตเป็นแต่คนบริหารไม่เป็นเนี่ยบางคนตายไปเนี่ย เก็บเงินไว้เป็นปี๊บๆเลยหรือเงินกองที่กุฏิอะละก็มีเห็นหลายคนในลงข่าวอะ่ะมีเงินนุ ก, กี่ล้านเลยจนปวด ก, กินละไม่เกิดประโยชน์ตนเองแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์คนอื่นแล้วเสียเวลาด้วยทั้งชาติมีนิทานอีกเรื่องห น, นึ่งนิทานเรื่องนี้เป็นของตอนสตอยแต่งไว้ดีมากเลยมีพระราชาอยู่องค์หนึ่งท่านตั้งคําถามในชีวิตเนี่ยว่า เวลาไหนสำคัญที่สุดใครสำคัญที่สุดและภารกิจอะไรสำคัญที่สุดพระเจ้าถามตอบไม่ได้ไปถามพวกนักปราชญ์ถามพวกผู้รู้ต่างๆแต่ละคนก็ให้คำตอบแตกต่างกันไปไ ม, ไม่ตรงกับที่พระ อ, องค์เนี่ยต้องการจนในที่สุดก็รู้ข่าวว่า มีฤาษีอยู่ท่านหนึง่งอยู่บนเขาแต่ฤาษีท่านนี้มีสายแปลกๆไม่ชอบคบหาบคนรวยชอบคบคบกับคนธรรมดามากกว่ามีชีวิตสันโดษถ้าพระราชาไปหาในฐานะพระราชานะี่ยคงไม่ต้อนรับแนะ่จึงปลอมตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาไปไปกับองค์รักแล้วค่อยองค์รักษล้วอยู่ตีนเขาพระราชาก็ไต่เขาขึ้นไปเพียงลาพัง ใครไปถึงก็เห็นรือศีเนี่ยกำลังขุดดินอยู่พระราชาเข้าไปถามเลยเวลาไหนสําคัญที่สุดใครคือคนสําคัญที่สุดภารกิจอะไรสําคัญที่สุดรือศีก็มองหน้าพระราชาแล้วก็ไม่ตอบพระราชาก็เห็นว่ารือศีเนี่ยขุดดินเหนื่อยเหงื่อโทมกายเลยจึงรับจอบมาแล้วขอขุดแทนลือศีก็ไปนั่งแล้พระราชาขุดไปเรื่อย ขุดไปได้สักพักหนึ่งพักใหญ่แแหละพระราชาก็ถามฤษีอีกด้วยคําถามเดิมไปและวฤษีก็อมยิ้มแต่ไม่ตอบพระราชาบอกว่าถ้าท่านไม่ตอบหรือไม่รู้เนี่ยผมก็จะได้ลากลับไปแต่พระราชาก็ช่วยฤศีขุดดินจนถึงเย็นจนภระาที่ตกดินไปแล้วก็ถามคำถามอีกครั้งหนึ่งฤษีก็บอกว่า ถ้าได้ยินเสียงอะไรัหมสักพักหนึ่งก็มีคนวิ่งวิ่งมาเลือดท่วมกายเลยฤศีก็บอกให้พระราชาเนี่ยช่วยชีวิตคนคนนี้พระราชาก็รีบเข้าไปช่วยดูแผลโดยเอาเอาเสื้อของพระองค์เนี่ยพันแผลให้แล้วก็หาน้ำให้กินก็ช่วยหลายอย่างอ่ะจนเหนื่อยแล้วก็พาไปพักที่กระท่อมของฤศีนี่แหละฤๅษคฟาร์เพียจะา ก, การปีนเขามาทั้งวันแล้วก็มาขุดดินอีกแล้วมาช่วย คนเจ็บอีกพระราชาก็เลยนั่งหลับที่กระท่อมนั่นแหละชายคนที่บาดเจ็บเนี่ยตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็จ้องมองหน้าพระราชาพระราชาก็งงเหมือนกันเพราะตัวเองตื่นขึ้นมาเนี่ยเอ๊ะตัวเองมาอยู่ที่ได้ไงลืมวันเวลาไปหมดเลยจึงนึกขึ้นมาได้ชายคนนั้นก็เอปากว่าขอพระองค์อภัยให้ข้าพเจ้าเถิดพระราชางงอภัยได้อภัยเรื่องอะไร ข้าขาไม่รู้จักท่านนะชายคนนั้นก็ตอบว่าพระองค์ไม่รู้จักข้าแต่ข้ารู้จักพระองค์เดิมทีแล้วข้าเนี่ยตั้งใจจะมาฆ่าพระองค์โดยเฉพาะเลยรออยู่ข้างล่างคือกะดักข่าระหว่างตอนที่พระองค์เสด็จกลับคือสู้อยู่แต่รอเท่าไหร่เท่าไหร่พระองค์ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่กลับสักทีจนจนมืดจึงเดินขึ้นมาหาเองแล้วก็เจอองค์รักของพระองค์เนี่ยแล้วพวกนั้นจําได้ก็เลยต่อสู้กัน ข้าบงบ่าเจ็บเดีววิ่งมาขอความช่วยเหลืออย่างที่นี่ในอดีตเนี่ยพี่ชายของข้าถูกฆ่าตายในสนามรบแล้วก็ถูกพระองค์เนี่ยริบทรัพย์สมบัติทั้งหมดข้าก็เลยแค้นใจและอาฆาตไว้ว่าจะต้องฆ่าฆ่าท่านได้แต่ต่อตั้งอนี้ไปขอสัญญาว่าชีวิตที่เหลือเนี่ยจะไม่คิดแาบนั้นแล้วจะซื่อสัตย์พักดีต่อพระองค์ไปตลอดชีวิต ขอพ ร, พระองค์อภัยให้ข้าพเจ้าเถิดพระชาก็ยิ้มและดีใจที่ว่าพระองค์เนี่ยสามารถเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรได้จึงบอกว่าเรายกโทษให้แล้วก็ให้ะทะหารเนี่ยพาชายคนนี้ไปรักษาคืนเงินที่ลิฟทั้งหมดให้ต้อเชาานี้ก็จบลงได้ดีแล้วพระราชาขึ้นไปหาฤาษีอีกครั้งหนึ่ง เพื่อถามคำถามเดิมอะคือส่อเห็นหน้าพระราชาก็บอกว่าอา้าวก็พระองค์ได้คำตอบไปแล้วไม่ใช่เหรอพระราชาก็งงได้คำตอบได้ยังไงอา้าวก็เมื่อวานพระองค์มาหาข้าแล้วก็สงสารในร่างกายสหขาของข้าจึงช่วยขุดดินเวลานั้นแหละเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุด ดีที่สุดและเพราะพระองค์มาเจอข้านี่แหละขณะนั้นข้าจึงเป็นคนสําคัญที่สุดและพระองค์คุดดินช่วยช่วยข้านี่แหละภา ร, รกิจนั้นแหละจึงสาคัญที่สุดเพราะว่าสิ่ ง, งต่างๆสามารถทําได้เฉพาะปัจจุบันขณะเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นชายบาดเจ็บมาให้พระองค์รักษาเวลานั้นแหละเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดและพระองค์ ก็ได้ช่วยเขาแล้วเวลานั้นชายคนนั้นก็คือคนสําคัญที่สุดและพวกรักษาชายคนนั้นเนี่ยก็เป็นภารกิจที่สําคัญที่สุดพระชาก็พอใจคําตอบทุกสิ่งอย่างทําได้ในปัจจุบันขณะถ้าผ่านนั้นไปก็ทําไม่ได้ละเพราะฉะนั้นเวลาในปัจจุบันจึงประเสริฐที่สุดก่อจบท้องกอพรพัทกาลาทะยมฟังก่ อ, อนที่หลวงพ่อพุทธทาแต่งไว้สิ่งล่วงล่วงแล้วไปอย่าฝ่ายหา